มงคลชีวิตมงคลที่สองคบบัณฑิตปันทิตาณ น, านจะเสวนาเอตามังคลมุตตะมังบัณฑิตหมายถึง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 หนึ่งทำให้เว้นชั่วตั้งอยู่ในความดีสองรู้วิธีดำเนินชีวิตดีงามสามจเจริญอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลายสี่ประสบแต่ความสุขไร้ทุกห้าจเจริญอยู่ในสมบัติทั้งหลายมีทรัพสมบัติเป็นต้น